เจตคิริมานันทะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระคิริมานันทะเทระพระคิริมานันทะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าภริยาของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้วบุตรของข้าพเจ้าก็ตกไปอยู่ป่าช้าแล้วตายบิดามารดาและพี่ชายของข้าพเจ้าก็ถูกเผาที่เชิงตะกรรเดียวกันเพราะความเจ้าโศกนั้น ข้าพเจ้าจึงเป็นผู้รุ่มร้อนผอมเหลืองจิตของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านคับแขนใจด้วยความเศร้าโศกนั้นข้าพเจ้ามากไปด้วยลูกศรเกิดความเศร้าโศกจึงเข้าไปยังชายป่าบริโภคผลไม้ที่หล่นเองอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้พระชินนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้กระทำที่สุดทุกข์พระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมาใกล้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จึงแหงหน้ามองดูพระมหามุนีพระมหาวีระเจ้าเสด็จเข้ามาปิติเบิกขึ้นแก่ข้าพเจ้าในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้มีใจเบิกบานเพราะเห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้าพเจ้าจึงได้สติแล้วได้ถวายใบไม้กำมือหนึ่ง พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุประทับนั่งบนใบไม้นั้นด้วยความอนุเคราะห์พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พ, พระนามว่าสุเมทะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแครมประทับนั่งบนใบไม้นั้นแล้วทรงแสดงธรรมเครื่องบรรเทาลูกสอนเคื่อความเศร้าโศกแก่ข้าพเจ้าว่าชนเหล่านั้นไม่มีใครเชิญก็พากันมาจากปราโลกนั่นเอง ไม่มีใครอนุญาตก็พากันไปจากมนุษย์โลกนี้แล้วเขาพากันไปตามที่เขาจะไปจะคร่ำครวญไปทําไมในการตายของพวกเขานั้นเมื่อฝนตกลงมาคนเดินทางมีสิ่งของก็หลบฝนจนกว่าฝนจะหายเมื่อฝนหายแล้วพวกเขาก็ไปตามปรารถนาฉันใดมารดาบิดาของท่านก็ฉันนั้นจะคร่ำครวญไปทําไมในการตายของเขานั้น แค่ผู้จรมาผู้ทําเจ้าของบ้านให้หวั่นไหวสันสัานฉันใดมารดาและบิดาของท่านก็ฉันนั้นจะแพร่ครวญไปทําไมเนการตายของเขานั้นงูลอกคราบเก่าไปฉันใดมารดาและบิดาของท่านก็ฉันนั้นย่อมละกายของตนในโลกนี้ไปข้าพเจ้าได้ทราบพระพุทธธรรมหัสแล้วจึงละลูกศรคือความเศร้าโศกได้เปิดความปราโมทแล้ว ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้นแล้วใช้ช่อดอกกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมทิพ์บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้เป็นพระมหาหน้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกครั้นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประนมมือขึ้นเหนือศีรษะระลึกถึงคุณอันเลิศแล้วได้สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นาสัตว์โลกว่า ข้าแต่พระมหามุนีผู้มีความเพียรมากพระองค์ทรงเป็นสัพพันธ์อยู่เป็นผู้นำสัตว์โลกทรงข้ามพ้นแล้วยังทรงช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยพระยานอีกข้าแต่พระมหามุนีผู้มีพระจักสุพระองค์ตัดความเคลือบแคลงสงสัยของข้าพระองค์และให้ข้าพระองค์บรรลุมรรคด้วยพระยานของพระองค์พระอรหันต์พูดถึงความสำเร็จได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มาก เที่ยวไปในอากาศได้เป็นนักปราดแวดล้อมอยู่ในขณะนั้นพระเสขะผู้กำลังปฏิบัติและผู้ตั้งอยู่ในผลเป็นสาวกของพระองค์สาวกทั้งหลายของพระองค์ย่อมเบ่งบานเหมือนดอกปทุมแยมบานเมื่อดวงอาทิตย์อุทยัยมหาสมุดประมาณไม่ได้ไม่มีอะไรเทียมเท่ายากที่จะข้ามได้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุ พระองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระญาณ น, นับประมาณไมิได้ฉันนั้นเขาไปเจ้าเดียกคุกเข่าน้อมไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชนะโลกผู้มีพระจักสุมีพระยศยิ่งใหญ่ทุกทิศแล้วหลีกไปเขาไปเจ้าจุติจากเทวโลกแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าเร่ร่อนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ลงมาปฏิสนธิในคานมารดาออกจากเรือนปวยเป็นปัญผชิด เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนมีปกติเข้าฌานมีการหลีกเร้นเป็นอารมณ์ตั้งความเพียรให้พระมหามุนีทรงพอพระทยพ้นจากกิเลสดังดวงจันทร์พ้นแล้วจากกลีกเมฆอยู่ทุกเมื่อเขาพระเจ้าเป็นผู้ขวนขวายในวิเวกสงบประงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ เนืกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วอาชวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่นี่มีอีกการที่เขาพระเจ้าได้มาในสํานักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้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 ได้ภาสิบคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้คิริมานันทะเทราประธานที่เจดจบ8สะละมันทะปิยะเทราประธานประวัติในดิจฉาของพระสะละมันทะปิยะเทระพระสะละมันทะปิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะ ทรงอยู่จบพรหมจรรย์ปรินิพานแล้วเข้าพเจ้าได้เก็บดอกช้างเน้ามาทําเป็นมนดกเข้าพเจ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้วิมานชั้นสูงสุดรุ่งเรืองเหนือเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเข้าพเจ้าเดินและยืนอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามย่อมมีดอกช้างเน้ากำบังไว้นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม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 ท่านพระสะละมันทะปิยะเถระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สะละมันทะปิยะเถราประธานที่แปดจบเก้าสัพพ ะ, ะทายกเถระประธานประวัติในดิจชาติของพระสัพพะทายกเถระพระสัพพะทายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่า ที่อยู่ของขพเจ้าซึ่งบุกรรมเนรมิตไว้ดีแล้วจดถึงมหาสมุทรสระบุรีซึ่งบุญกรรมเนรมิตไว้ดีแล้วมีนกจักระภาคส่งเสียงร้องอยู่ดารดาดด้วยบัวเพื่อนบัวหลวงและบัวขาบในสะนั้นมีน้าไหลมีท่าน้ำราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจมีปลาและเต่าชุกชุมชุกชุมไปด้วยเนื้อต่าง มีนกยูงนกกระเรียนและนกดูว่าวเป็นต้นส่งเสียงร้องอย่างไพเราะนกเขานกเป็ดน้ำนกจักระภาคนกกาแนมนกต้อยตีวิทนกสาลิกานกช้อนหอยนกโพระดกหงนกกระเรียนนกแสกนกขมิ้นช่างหน้าเพล้ยเพลินอยู่มากซาโบคอรณีสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีชายแก้วมณีและแก้วมุกดา ตนไม้ทั้งหลายเป็นสีทองทั้งหมดมีกลิ่นหอมต่างๆฟุ้งกระจายไปทรงที่อยู่ของข้าพเจ้าให้สว่างไสวตลอดการทั้งปวงทั้งกลางวันกลางคืนเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นประโคมอยู่ทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าสตรีสาวล้วนหกหมื่นนางแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าออกจากที่อยู่แล้วได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะ ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ไหว้พระองค์ผู้มีประย์ยิ่งใหญ่ถวายอภิวาสแล้วได้ทูลนิมนต์นพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์พระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรับนิมนต์แล้วพระมหามุนีตรัสธรรมกถาแก่ข้าพเจ้าแล้วส่งส่งข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกลับเข้าไปยังที่อยู่ของตนข้าพเจ้าเรียกบริวารชนมาบอกว่าท่านทั้งหมดจงประชุมกันเวลาเช้าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมายังที่อยู่ของเราการที่พวกเราจะได้อยู่ในสํานักของพระองค์เป็นลาบที่พวกเราได้ดีแล้วหนอแม้พวกเราจะทําการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้เป็นศาสดา ข้าพเจ้าตระเตรียมข้าวและน้ำเสร็จแล้วจึงกราบทูลพัตการพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จเข้ามาพร้อมทั้งพระอรหันต์สองแสนองค์ข้าพเจ้าได้รับเสด็จด้วยดนตรีเครื่องห้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับนั่งบนต่างทองคำล้วนในครั้งนั้นหลังคาเบื้องบนโ้งงงด้วยทองคาล้วนคนทั้งหลายโบกพัตวายในระหว่างภิกษุสงฆ์ ข้าพเจ้าได้ถวายข้าวน้ำอย่างเพียงพอให้ภิกษุสงฆ์ฉันจนอิ่มน้ำแล้วได้ถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์รูปละหนึ่งผู้พระพุทธเจ้าที่ผู้คนเรียกพระนามว่าสุเมทะผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่ถวายข้าวน้ำให้ภิกษุทั้งหมดนี้ฉันจนอิ่มน้ำ ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นี้จะเครื่อนรมในเทวโลกตลอดหนึ่งร้อยสิบปดกัปจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันชาติเขาเกิดในกำเนิดใดเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามในกำเนิดนั้นๆแลงคาทองคำล้วนจากกลางกั้นให้ตลอดเวลาเนกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปพระศ า, าสดา พ, พระนามว่าโคดมตามพระโน์ ทรงสมภพในราชสกุลโอกากาก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจกเป็นธรรมทายาของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงจกเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานผู้นั้นจากนั่งในถ้ำกลางหมู่พิกสุแล้วบรรลือศีหนาาเขาสิ้นชีวิตแล้วถูกเผาภายใต้ฉัดที่ชนทั้งหลายกั้นไว้ที่เชิงตะกอน สามอัญผลเข้าพเจ้าบรรลุแล้วตามลาดับกิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วที่มนดบหรือที่โคนต้นไม้ความเร่าร้อนไม่มีแก่เข้าพเจ้าเนกับที่สามมื่นนับจากกับนี้ไปเข้าพเจ้าได้ถวายทานไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการให้ทุกสิ่งกิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสัพพะทายกเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สัพพะทายกะเทราประธานที่เกจบสิอาชิตะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระอาชิตะเทระ พระอาจิตะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จมายัางภูเขาหิมพา่านและประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระสุรเสียงข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้ฟัง ข้าพเจ้าเที่ยวไปในป่าสแสวงหาอาหารเพื่อตนเองได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการในป่านั้นพร้นเห็นแล้วจึงปลื้มใจด้วยคิดว่านี้เป็นใครกันข้าพเจ้าพิจารณาดูลักษณะแล้วระลึกถึงความรู้ของตนเองได้ข้าพเจ้าฟังคำสุภาษิตของบัณฑิตผู้เจริญตามคาของบัณฑิตเหล่านั้น ท่านผู้นี้คงเป็นพระพุทธเจ้าทางที่ดีเราควรสักการะพระองค์พระองค์จะช่วยชำระคติของเราได้เขาระเจ้าจึงรีบกลับไปยังอาสมหยิบเอาน้ำผึ้งและน้ำมันถือหม้อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษได้นำไม้สามท่อนไปวางไว้ในที่กลางแจง้งแล้วตามประที่ให้ลุกโพลงเสร็จแล้วกราบแปดครั้ง พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับนั่งอยู่ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้เสด็จลุกขึ้นในเวลารุ่งสางข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ตามประทีปถวายพระพุทธเจ้าด้วยมือของตนตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนกลิ่นหอมทุกอย่างที่เกิดในป่าณภนะูเขาคันตมาศโชยมาในสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุภาพ เวลานั้นต้นไม้ที่มีดอกมีกลิ่นหอมทุกชนิดบานสะพรั่งร่วงหล่นมารวมกันในการนั้นด้วยพุ้ฐานุภาคนา้าและครุฑทั้งสองพวกเท่าที่มีอยู่ที่ภูเขาหิมพานต้องการจะฟังธรรมจึงพากันมายังสำนักของพระพุทธเจ้าพระจมณ์ณนามว่าเทวละเป็นอครสาวกของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์สองแสนรูปเข้ามายังสำนักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในถาำกลางหมู่พิสุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรผู้ที่มีความเลื่อมใสได้ตามประทีปถวายเราด้วยมือของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเขาจากรื่นรมในเทวโลกตลอดหกหม 0,000 ่นกลับและจกเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหนึ่งพันชาติ พานวาระที่สิบหกจบเขาจากได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดสามสิบกชาติจากได้ครองราชสมบัติอันไพยบูรณ์ในแผ่นดินเจ็ดร้อยชาติจากเป็นพระเจ้าประเทศราช อ, าชอันไพบูรณ์นับชาติไม่ถ้วนด้วยผลแห่งการตามประทีปถวายนี้จากเป็นผู้มีทิพยยะจักสุผู้นี้จะมองเห็นได้ไกลสองอห้าสิบชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อ เมื่อเขาจุติจากเทวโลกมาบังเกิดเป็นมนุษย์ประทีพย์จะทรงอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อผู้นี้ซึ่งเกิดมาพรั่งพร้อมด้วยบุญกรรมเขาเกิดในกำเนิดใดเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นจโชดช่วงตลอดทั่วนครเพราะผลแห่งการตามประทีพถวายแปดดวงนั้นชนทั้งหลายจะบ่มปรุิผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการตามประทีพถวาย เนกกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคทรสงสมพบในราชสกุลโอกา ก, ะกะราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จากเป็นธรรมทายาคของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนระมิตรกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเขาพระเจ้าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมสักะยะ ผู้ประเสริฐทรงพอพระไทยแล้วจักมีนามว่าอชิตะเป็นสาวกของพระศาสดาข้าพเจ้าเร่ร่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดห0หมื่นคับแม้ในเทวโลกนั้นประทีปหนึ่งรดวงก็ส่องสว่างเพื่อข้าพเจ้าตลอดการเป็นนิตราชหนีของข้าพเจ้าโผยพุ่งพผลงไปในเทวโลกและมนุษย์โลกข้าพเจ้าระลึก ถ, ถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแล้ว จึงเปิดความร่าเริงอย่างยิ่งเขาพเจ้าจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วลงมาปฏิสนธิในคันมารดาเมื่อเขาพเจ้าเกิดก็ได้มีแสงสว่างเจรจ้าเขาพเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วเด็เข้าไปหาพราหมณ์ภาวรียอมตนเข้าเป็นศิษย์เมื่อเขาพเจ้าอยู่ที่ภูเขาหิมพานได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ข้าพเจ้าสแสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดจึงเข้าเฝ้าพระองค์ผู้เป็นผู้นำโดยวิเศษพระพุทธเจ้าผู้ฝึกพระองค์แล้วทรงฝึกผู้อื่นด้วยทรงข้ามโอค่ากิเลสได้แล้วไม่มีอุปธิตรัสบอกนิพพานเป็นเหตุพ้นจากทุกทั้งปวงการมาของข้าพเจ้านั้นให้สำเร็จประโยชน์ข้าพเจ้าให้พระมหามุนีทรงพอพระทยัยวิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระอาชิตยเถระได้พาสิทธิถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้อาชิตย์เถราประทานที่สิบจบปิลินทวัชวัคที่สี่สิจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวัค์นี้คือหนึ่งปิลินทวัชเถราประทาน สเสละเทราประทานสามสัพพกิติกะเทราประทานสมะทุทายกะเทราประทานห้าปทุมะภูตาคาริกะเทราประทาน 6. กพักุลเทราประทาน 7. คิริมานันทะเทราประทาน 8. สละมันทะปิยะเทราประทาน 9. ก้สัพพทายกะเทราประทาน สิบอชิตาเทราประานท่านนับคถาได้ห้าร้อยยี่สิบคถาและรวมวักได้สิบวักคือหนึ่งปทุมะเกสริอวักสองอารักข า, ายกะวักส 3. อูมาปุพพิยวักส 4. คันโททกะวักห 5. เอกะปทุมะวักห 6. สัทธาสัญญกะวักเจมันทาระวะปุพพิยาวัก โพธิวันธนวัคเกอัมพตาตภลรวัคสิบปีเลนทวัจฉวัคและท่านคำนวณคาถาได้หนึ่งพันหนึ่ง้เจ็สิบสี่คาถาหมวดสิบแห่งวัคมีปทุมะเกศริยวัคเป็นต้นจบหนึ่งอเรื่องหมวดที่สี่จบบริบูรณ์